จเจริญพรท่านสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาฝ่บุญฝ่กุศลทุ ก, ท, กท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่29ธันวาคมพุทธศักราช2550เป็นวันแรกของวันหยุดในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ มีวันหยุดอยู่สี่วันด้วยกันคือวันที่29 3สิบเสสิบสามสบธันวาคมและวันที่หนึ่งมกราคมเป็นเวลาดีที่พวกเราจะได้รีบมาทำบุญทำกุศลเพื่อปิดบัญชีบุญกุศลของปี2550นี้ให้ได้เป็นไป ตามเป้าหมายที่เราได้ตั้งใจไว้ตั้งแต่ต้นปีว่าจะทำบุญให้มากจะละบาปจะเข้าวัดอยู่เรื่อยๆจะเลิกอบายามุขต่างๆตอนนี้ก็เหลืออยู่อีกสามวันถ้ายังทำไม่ได้ถึงเป้าก็ขอให้ใช้สามวันที่เหลืออยู่นี้ให้เรียบสร้างบุญสร้างกุศล ละบาปละอบัยลุกต่างๆเพื่อประโยชน์สุขแก่ชีวิตจิตใจของเราเพราะไม่มีอะไรจะมีคุณค่ามีความสาคัญเท่ากับชีวิตจิตใจถ้าชีวิตจิตใจของเราไม่ดีไม่สุขแล้วต่อให้เรามีอะไรมากมายก่ายกองก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมีเงินทองท่วมหัว แต่ถ้าจิตใจไม่มีบุญไม่มีความสุขไม่มีบุญที่จะทำให้จิตใจมีความสงบมีความสุขมีความเย็นมีความสบายเงินทองมีมากน้อยเพียงไรก็ไม่เป็นประโยชน์กับจิตใจเพราะสิ่งที่เป็นคุณกับประโยชน์กับจิตใจก็คือบุญกุศลนี้เท่านั้นอย่างอื่นนั้นเป็นประโยชน์กับกิเลสเสียมากกว่า ประโยชน์กับความโลภความอยากต่างๆเวลาเราเกิดความโลภเกิดความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็ต้องหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ได้เพราะถ้าหามาไม่ได้ใจกิเลสมันก็จะสร้างความทุกข์ให้กับใจจะออกฤทธิ์ออกเดช ท, ทำให้อยู่ไม่เป็นสุขทำให้กวนกวายกระสับกระสายกินไม่ได้นอนไม่หลับ แต่พอได้สิ่งที่อยากได้แล้วหรือได้ทําในสิ่งที่อยากทําแล้วความกระสับกระสายความทุกข์นั้นก็ดับไปชั่วครู่ชั่วขณะแต่ไม่นานเดี๋ยวความอยากก็ปรากฏขึ้นมาใหม่ก็ต้องทําให้ใจของเรากระวนกระวายกระสับกระสายอยากจะได้อยากจะทําอีกก็ต้องเริ่มไปทําใหม่อีกก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ถ้าเราทำตามอำนาจของความอยากอำนาจของความโลภแต่เราจะไม่ได้พบกับความสุขความอิ่มความพอของใจเลยถ้าเราไม่ทำบุญสร้างกุศลกันเพราะบุญกุศลนี้ยิ่งทามากเท่าไหร่ยิ่งทำให้ใจมีความสงบมีความเย็นมีความสบายมีความอิ่งมีความพอ นี่แหละคืออาหารของใจที่แท้จริงมีคุณค่ากับชีวิตจิตใจที่แท้จริงก็คือบุญและกุศล น, นี้นั่นเองเพราะพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ศาสนิกชนพุทธศาสนิกชนหมั่นทำบุญกันอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามสามารถทำบุญได้สเสมอเพราะบุญนี้มีหลายรูปแบบด้วยกัน มีหลายชนิดด้วยกันเหมือนกับอาหารที่มีหลากหลายชนิดอาหารที่เรารับประทานกันนี้เราก็เลือกรับประทานได้ขึ้นอยู่ว่าเราอยู่ที่ไหนถ้าอยู่ใกล้ร้านกว๋วยเตี๋ยวเราก็กินกว๋วยเตี๋ยวไปก่อนอยู่ร้านใกล้ร้านข้าวแกงเราก็กินข้าวแกงอยู่ใกล้โรงแรมก็เข้าไปในโรงแรมกินอาหารฝรั่งบ้างก็ได้ ก็เมื่อรับประทานก็ไปแล้วก็จะทำให้มีความอิ่มมีความพอแก่ร่างกายชนะันใดใจก็มีอาหารของใจเช่นเดียวกันที่เรียกว่าบุญมีอยู่หลายชนิดด้วยกันเช่นบุญที่เรารู้จักกันเป็นส่วนใหญ่ก็คือบุญที่เกิดจากการให้เรียกว่าทานทานนี้แปลว่าการให้ให้ใครก็เป็นบุญเหมือนกัน ให้พระก็เป็นบุญให้โยมก็เป็นบุญให้สุนัข ก, ก็เป็นบุญเพราะบุญนี้แปลว่าความสุขใจเมื่อเราให้ให้ความสุขกับผู้อื่นแล้วเช่นให้อาหารกับพระภิกษุสมัมเาณีหรือให้อาหารกับเพื่อนฝูงหรือให้อาหารกับสุนัข ก, กับปลา เราก็มีความสุขใจขึ้นมานี่เรียกว่าทานเป็นการให้เราไม่ต้องแยกว่าทําบุญกับพระถึงจะเป็นบุญให้ทานให้กับพระถึงจะเป็นบุญให้กับผู้อื่นนั้นเป็นทานนี่เป็นเพียงภาษาที่เขาใช้กันเท่านั้นเองคือถ้าให้ของพระก็เรียกว่าทาบุญให้กับผู้อื่นที่ไม่ใช่เป็นพระ ก็เรียกว่าให้ทานแต่ความจริงแล้วความหมายก็คือทานนี่เองคือการให้ไม่ว่าจะให้ใครก็ได้การให้นี้เป็นเหตุเมื่อให้แล้วก็จะมีผลคือบุญตามมาบุญก็คือความสุขใจความอิ่มใจความพอใจนี่เป็นผลเบื้องต้นของการให้ทาน และผลที่จะตามมาก็มีอีกในภพต่อๆไปเช่นไปเกิดพบหน้าชาติหน้าก็จะมีสิ่งของต่างๆมีเงินทองรอเราอยู่เกิดแล้วก็จะมีรูปร่างหน้าตาสวยงามผิวพรรณผ่องใสอย่างนี้เรียกว่าเป็นอนิสงส์เป็นผลของการให้ทาน และการให้นี้ก็มีสิ่งที่ให้ได้หลายชนิดด้วยกันไม่จําเป็นจะต้องให้แต่เงินทองข้าวของเช่นกับข้าวกับปลาอาหารต่างๆสิ่งที่เราให้ได้ยังมีอีกเช่นการให้อภัยเวลาที่เราโกรธใครแล้วเราอยากจะทำร้ายอยากจะแก้แค้นเราก็ควรที่จะให้อภัย พอให้อภัยนี้แล้วจะทําให้ใจเราเย็นใจเราสงบถ้าเราไม่ให้อภัยใจเราจะรุ่มร้อนจะเป็นเหมือนไฟนรกเาผาผลาญจิตใจและถ้าเราไปทําร้ายเขาเราก็จะกลายเป็นคนไม่ดีไปจากคนดีกลายเป็นคนไม่ดีไปได้เพราะไม่รู้จักให้อภัย ถ้าเรารู้จักให้อภัยเราก็จะรักษาความดีของเราได้เราก็จะไม่เป็นคนไม่ดีไปนี่คือสิ่งที่เราให้ได้นอกจากการให้ให้วัตถุเข้าของต่างๆนอกจากนั้นเราก็ยังให้วิทยาทานได้คือให้ความรู้แก่ผู้อื่นเรามีความรู้อะไรแล้ว ผู้อื่นสนใจอยากจะศึกษาจากเราเราก็ให้เขาไปโดยไม่คิดเงินคิดทองเช่นเรารู้จักวิธีทํากับข้าวทำอาหารที่มีรสชาติดีอ ร, อร่อยอร่อยมีคนอื่นเขาสนใจอยากจะมาเรียนรู้จากเราเราก็สอนเขาไปอย่างนี้ก็เป็นบุญเรียกว่าเป็นวิทยาทาน เป็นการให้เช่นเดียวกันและสิ่งที่เราให้ได้อีกอย่างก็คือธรรมทานคือการให้ธรรมะถ้าเรามีธรรมะอยู่ในตัวเราเรารู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรเป็นคุณอะไรเป็นประโยชน์อะไรทำให้จิตใจมีความสุขอะไรทำให้ดับความทุกข์ในใจได้เวลาที่มี ผนเขามีความทุกข์ใจแล้วเขามาปรับความทุกข์กับเราเราก็ให้ธรรมะเข้าไปสอนให้เขารู้จักตรงให้รู้จักวางให้รู้จักให้อภัยเช่นถ้าเขากขโกรธแค้นโกรธเครืองใครก็บอกเขาว่าให้อภัยไปเถิดแล้วจะสบายใจอย่าไปอาฆาตพยาบาทเพราะจะทําให้ เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาจะทำให้มีความทุกข์มากขึ้นไปอีกนี่คือการให้ธรรมะในสิ่งต่างๆที่เราให้ได้นี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงเพราะมีธรรมะเท่านั้นที่จะดับความทุกข์ใจได้ที่จะดับไฟนรกที่กําลังเผาผลาญจิตใจได้ ที่จะยับยั้งไม่ให้ต้องไปเกิดในอบายได้ก็คือคําสอนคือธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นนี่คือสิ่งที่เราให้ได้ให้แก่ผู้อื่นได้และเมื่อเราให้แล้วเราก็จะมีความสุขจะมีมากมีน้อยก็ขึ้นอยู่ที่ว่าเราให้แล้วเราต้องการผลตอบแทนจากผู้รับหรือไม่ ถ้าเราให้แล้วเราไม่ต้องการผลตอบแทนอย่างใดเลยให้อย่างฟรีๆไม่มีเรียกร้องค่าตอบแทนไม่ว่าจะเป็นการขอบอกขอบใจหรือการสำนึกในบุญคุณของเราก็ตามถ้าเราให้โดยที่ไม่ต้องการอะไรจากผู้รับเราก็จะมีความสุขมากแต่ถ้าเราให้แล้วเรายังต้องการสิ่งตอบแทนจากผู้รับ ความสุขก็จะไม่มีเพราะมันไม่ได้เป็นการให้มันเป็นการแลกเปลี่ยนเป็นการซื้อขายดัยงนั้นถ้าเราอยากจะให้เพื่อให้เป็นบุญเราก็ต้องให้โดยไม่หวังผลตอบแทนให้ไปแล้วก็ให้ไปเลยไม่ต้องไปตามติดตามถามดูว่าเอาไปทำอะไรเอาไปใช้หรือเปล่าเอาไปกินหรือเปล่าหรือเอาไปให้คนอื่น อย่างนี้เรียกว่ายัางไม่ได้ให้อย่างเต็มที่ถ้าให้เต็มที่แล้วไม่ต้องไปกังวลสิ่งที่เราให้เขาไปแล้วเขาจะเอาไปทำอะไรก็เรื่องของเขาเพราะมันไม่ได้เป็นของเราแล้วเป็นของของเขาแล้วแต่ถ้าเราได้ยินว่าเขานาเอาสิ่งที่เราให้ไปทำในเรื่องที่ไม่ดี เช่นเราให้เงินแล้วเขาไปซื้อเหล้ามากินซื้อยาเสพติดมาเสพถ้าเรารู้เข้าในภายหลังเราก็ไม่ต้องไปให้เขาอีกเพราะให้ไปแล้วก็ไม่เป็นคุณเป็นประโยชน์แต่เป็นโทษกับเขาแต่ถ้าให้เขาไปแล้วเขาเอาไปใช้จ่ายค่าเล่าเรียนเอาไปซื้อหนังสือเรียนซื้อเครื่องเครื่องแบบสาหรับไปโรงเรียน ถ้าอย่างนี้ถ้าเรารู้ทีหลังถ้าเรามีอีกเราก็ให้เขาได้อีกเพราะว่าสิ่งที่เราให้เขาไปนั้นเขาเอาไปทําคุณทําประโยชน์ในเบื้องต้นก็ทาประโยชน์กับตัวเขาก่อนคือ เ, เอาไปใช้เพื่อการศึกษาเริ่าเรียนเมื่อเขาเรียนจบแล้วเขาก็จะได้มีวิชาความรู้รักษาตัวเขาให้อยู่ใน สัมมาชีพคือทำมาหากินอย่างสุดเจริจได้ไม่ไปเบียดเบียนไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นการให้อย่างนี้เป็นการช่วยส่งเสริมสังคมให้ดีขึ้นให้คนมีศีลมีธรรมให้คนมีความสามารถที่จะพึ่งตนเองได้ แล้วก็จะไม่ไปเป็นภาระแก่สังคมไม่ไปสร้างปัญหาให้กับสังคมนแต่เมื่อเราให้ไปแล้วเราอย่าไปกังวลอย่าไปคิดห่วงว่าเขาจะเอาไปทําตามที่เราต้องการให้เขาทํหรือหรือตามที่เขาแจ้งมาหรือไมเ่เมื่อเราพิจารณาว่าเป็นเหตุ เป็นการกระทำที่ดีเราก็ให้เขาไปหรือเราอาจจะติดตามดูเพื่อให้รู้ว่าเขาทำตามที่เขาพูดหรือเปล่าก็ได้แต่เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปกังวลไปห่วงหรือไปเสียใจในภายหลังถ้าเราตัดสินใจให้อะไรไปแล้วก็ถือว่ายุติหมดปัญหาไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปห่วงอีกต่อไป เพราะไม่เช่นนั้นแล้วมันก็จะไม่มีความสุขนี่คือการให้ทานเรียกว่าเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราพยายามทำกันอย่างสม่าเสมอเพื่อชีวิตของเราจะได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขถ้าเราไม่ให้แล้วใจของเรานั้นจะมีความตนี มีความหวงแหนมีความยึดติดในสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆเวลาสูญเสียเข้าของเงินทองไปก็จะเสียอกเสียใจไม่สบายใจแต่ถ้าเราเคยให้อยู่เป็นประจำแล้วเวลาเราถูกเข้าของของเราถูกลักถูกขโมยไป เราจะไม่รู้สึกเสียอกเสียใจอย่างไรเพราะเราก็คิดว่าเป็นการให้เหมือนกันให้ไปแล้วเมื่อมันไปแล้วก็อยากไปเสียใจซูมองว่าเป็นการทำบุญให้ทานดีกว่าคนที่เขามาเอาเขาก็คงมีความจำเป็นเขาอดอยากขาดแคลนเขาไม่กล้าขอเราหรือกลัวว่าขอแล้วจะไม่ได้เขาก็เลยมาขโมยไป ถ้าเรารู้ว่าเขาเดือดร้อนก็ให้เขาไปแล้วเราก็จะรู้สึกสบายใจขึ้นมาจะไม่เสียใจจะไม่โกรธแค้นโกรธเคืองเพราะว่าความเสียใจก็เป็นความทุกข์อย่างหนึง่งความโกรธแค้นก็เป็นความทุกข์อย่างหนึง่งเราไม่ควรที่จะสร้างมันขึ้นมาถ้าเรารู้จักวิธีรักษาใจ เรือรู้จักวิธีทาใจให้มีความสุขแล้วเราจะอยู่อย่างเป็นสุขตลอดเวลาท่ามกลางเรื่องราวต่างๆที่ไม่พึงปรารถนาทั้งหลายเช่นการพัดพรากจากสิ่งต่างๆไปถ้าเรารู้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาเราเกิดมาเราก็ไม่ได้เอาอะไรติดตัวมา เร า, ากับบุญกับบาปที่เราได้เคยทําเอาไว้ที่ติดมากับใจของเราและเราก็หามันใหม่แล้วเราก็ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาเป็นสมบัติแต่สักวันหนึ่งเราก็ต้องทิ้งทั้งสิ่งทั้งหลายไปหมดเพราะเราก็ต้องจากโลกนี้ไปข้างหน้าอีกถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วเราจะได้ไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งของต่างๆ กับบุคคลต่างๆเพราะรู้ว่าถ้าเรายึดเราติดแล้วเราจะมีความทุกข์ใจมีความไม่สบายใจเวลาอยู่ด้วยกันก็ต้องคอยห่วงคอยกังวลเวลาจากกันก็ต้องร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจแต่ถ้าเราฝึกทำใจให้ปล่อยวางพร้อมที่จะให้เขาไปเสมอ ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเมื่อถึงเวลาเขาจะไปก็ให้เขาไปจะเป็นข้าวของเงินทองเมื่อเขาจะไปก็ให้เขาไปจะเป็นเพื่อนจะเป็นพี่เป็นน้องเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นบุตรเป็นที่ดาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่ย่าตายายเมื่อถึงเวลาที่เขาต้องไปก็ให้เขาไปถ้าเราพร้อมอยู่เสมอ เราจะไม่มีความทุกข์กับเขาเขาอยู่เราก็ไม่มีความทุกข์เขาไปเราก็ไม่มีความทุกข์ขณะที่อยู่เราก็จะพยายามให้ความสุขกับเขาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะเรารู้ว่าการให้ความสุขแก่ผู้อื่นนั้นทำให้เรามีความสุขใจแต่ถ้าเรา ต้องการสิ่งต่างๆจากคนนั้นจากคนนั้นจากคนนั้นจากคนนี้จากสิ่งนั้นจากสิ่งนี้ใจของเราก็จะมีแต่ความทุกข์เพราะเมื่อเรามีความอยากความต้องการเราก็อยากจะให้เขาอยู่กับเราไปนานๆแต่เราก็รู้อยู่ในใจว่าเขาไม่สามารถอยู่กับเราไปได้ตลอดสักวันหนึ่งเขาก็ต้องจากเราไปดังนั้นเราไม่ควรที่ไป มีความอยากกับอะไรทงนั้นไม่ต้องไปอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ต้องการอยากจะอยู่ใกล้กับคนนั้นใกล้กับคนนี้ถ้าอยู่ได้ก็อยู่กันไปถ้ามีอะไรก็มีไปแต่เมื่อถึงเวลาที่จะต้องให้เขาไปจากเราก็ต้องให้เขาไปอย่าไปเสียดายอย่าไปยึดติด เพราะการเสียดายการยึดติดนี้จะทำให้เราไม่มีความสุขใจเราจึงต้องรู้จักให้อยู่เสมอการให้จึงเป็นสิ่งที่กว้างขวางใหญ่โตมากให้คนจะให้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่เพราะไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งเราก็ต้องจากสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ไปเราไม่สามารถ เอาไปกับเราได้แต่สิ่งที่เราเอาไปได้ก็คือบุญกุศลที่เกิดจากการให้นี้เองเกิดจากการปล่อยวางถ้าเราให้ได้เราปล่อยวางได้เราจะไปอย่างมีความสุขและเราจะไปเกิดในที่ที่ดีไปเกิดบนสวรรค์หรือได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีสมบัติเข้าของเงินทองรอเราอยู่ มีรูปร่างหน้าตาสวยงามมีผิวพรรณผ่องใสนี่คือเรื่องของบุญกุศลที่จะติดไปกับใจของเราแต่พวกเรานี้ยังมองไม่เห็นใจของเราเราจึงไม่รู้ว่าเราตายไปแล้วเราจะไปเกิดหรือเปล่าแล้วถ้าไปเกิดจะไปเกิดที่ไหนนั่นเป็นเพราะว่าใจของเรานั้นยังมืดบอด ยังไม่มีปัญญาไม่มีแสงสว่างแห่งธรรมที่จะทำให้เราเห็นถึงใจของเราว่าเป็นอย่างไรเราจึงต้องเชื่อคนอย่างพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้านี้ท่านมีดวงตาเห็นธรรมท่านมีปัญญาท่านมองเห็นใจที่พวกเรามองไม่เห็นกันท่านเห็นว่าใจนี่แล เป็นผู้มาเกิดเป็นผู้มาครอบครองร่างกายแล้วก็มาครอบครองสมบัติเข้าของต่างๆแล้วก็เมื่อถึงเวลาที่จะต้องไปใจก็ไปตามลาพังไปกับบุญกับบาปที่ได้มาทําเอาไว้ถ้ามีบุญไปมากกว่าบาปก็จะไปอย่างมีความสุขถ้ามีบาป มากกว่าบุญพาไปก็จะไปด้วยความทุกข์ความวุ่นวายใจก็จะไปเกิดในอบายเช่นไปเกิดเป็นเดรัจฉานหรือไปตกนรกเป็นต้นถ้าไม่อยากจะไปตกนรกไปในอบายก็ต้องรู้จักให้รู้จักปล่อยวางเพราะเมื่อเรารู้จักให้รู้จักปล่อยวางเราก็จะไม่หวงแหน เราจะไม่อยากได้สิ่งต่างๆมาโดยวิธีที่ไม่ถูกต้องเช่นเราจะไม่ไปทาบาปทากรรมเพื่อให้ได้ในสิ่งที่เราต้องการหรือเพื่อรักษาสิ่งต่างๆของเราที่เรารักไว้เพราะเรารู้ว่าเรารักษาไว้ไม่ได้นั่นเองรักษาไว้ยังไงสักวันหนึ่งก็ต้องจากมันไปหรืออยากจะได้อะไรมา เราก็อย่าไปหามาด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้องทำบาปทำกรรมเพราะมันจะไม่เป็นความสุขมันจะกลับเป็นความทุกข์มากกว่าเช่นเราไปแย่งสามีแย่งภรรยาของผู้อื่นเขามาถึงแม้ว่าเราจะมีความสุขในเบื้องต้นแต่เราก็ต้องมีความกังวลที่ตามมาต่อไป กังวลว่าสามีเลือกภรรยาของเขาจะตามมาทวงเอาคืนไปจะตามมาหาเรื่องกับเรามาสร้างเวรสร้างกรรมกับเราอย่างนี้ก็จะทำให้เราไม่มีความสุขแต่ถ้าเรายังหักห้ามจิตใจไม่ได้ยังอยากจะมีคู่ครองอยู่ยังอยากจะมีสามีอยากมีภรรยาก็ขอให้เราหาโดยวิธีที่ สุดเจริญคืออย่าไปประพฤติผิดประเวณีให้ไปสู่ขอให้ถูกต้องตามหลักประเพณีถ้าเราได้มาอย่างนี้ความทุกข์ความวุ่นวายต่างๆก็จะไม่มีตามมาแต่ถ้าจะให้ดีสู้อยู่คนเดียวไม่ได้เพราะถ้าเราอยู่คนเดียวได้เราจะสบายใจกว่าเราจะเป็นอิสระเต็มตัว เราอยากจะกินอยากจะนอนอยากจะทำอะไรอยากจะไปที่ไหนเราสามารถทำได้ ท, ทันทีไม่ต้องมาปรึกษากับคู่ครองของเราไม่ต้องมาขออนุญาตกันเรามีสิทธิเสรีภาพในชีวิตของเราอย่างเต็มที่แต่ถ้าเรามีคู่ครองแล้วเราก็ต้องแบ่งใจให้กับเขาเราอยากจะทำแต่เขาไม่อยากจะทำ ก็ทำไม่ได้เขาอยากจะทำเราไม่เราไม่อยากจะทำเขาก็ทำไม่ได้อย่างนี้ก็สู้อยู่คนเดียวไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วตามหลักของธรรมชาตินั้นมีความสุขมากกว่าเพียงแต่ว่าใจของเรานั้นมันอ่อนแอมันไม่ชอบอยู่คนเดียวเพราะอยู่คนเดียวแล้วมีความรู้สึกเหงาอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวพอมีเพื่อนแล้ว ก็จะมีความสุขแต่ในขณะเดียวกันก็มีปัญหาต่างๆตามมาอยู่ด้วยกันไม่นานเดี๋ยวก็เบื่อขี้หน้ากันเดี๋ยวก็ทะเลาะกันเดี๋ยวก็มีเรื่องมีราวกันนี่ปัญหาของพวกเราอยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่เราไม่รู้ว่าวิอยู่แบบไหนจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดเราก็ต้องเอาพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าก่อนที่ท่านจะออกบวช ท่านก็มีคู่ครองเหมือนกันมีภรรยามีครอบครัวแต่ท่านทรงเห็นว่ามันเป็นชีวิตที่วุ่นวายเรื่องมากพระพุทธเจ้าจึงตัดสินใจสละราชสมบัติแล้วก็ออกบวชพอไปบวชอยู่คนเดียวแล้วก็มีความสุขมากกว่าแต่แต่ก่อนที่จะมีความสุขได้ก็ต้องต่อสู้กับ ความอยากต่างๆเพราะความอยากนี้มันไม่ได้หมดไปเวลาที่ออกบวชมันก็ยังมีอยู่ในใจอยู่ก็จึงต้องต่อสู้ไม่พยะไ ม, ไม่ไม่ทําตามความอยากต่างๆอยากจะมีเพื่อนอยากจะไปหาเพื่อนก็ไม่ไปอยากจะไปเที่ยวที่นั่นเที่ยวที่นี่ก็ไม่ไปอยากจะดื่มอยากจะกินอะไรที่ไม่จําเป็นก็ไม่ทําอย่างนี้ ต้องฝืนฝืนด้วยการปฏิบัติธรรมเช่นด้วยการนั่งสมาธิแล้วก็ด้วยการเจริญปัญญาการนั่งทําสมาธิก็ทำให้จิตใจเราหยุดความอยากได้ชั่วคราวและถ้าต้องการหยุดอย่างถาวรก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจสอนว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากได้นั้นมันไม่ได้เป็นความสุขหรอกมันมีแต่ความทุกข์ มีแต่ปัญหาตามมาได้อะไรมาแล้วก็ต้องทุกขกับสิ่งนั้นได้สามีก็ต้องทุกขกับสามีได้ภรรยาก็ต้องทุกขกับภรรยาได้ลูกก็ต้องทุกขกับลูกได้สมบัติเข้าของเงินทองก็ต้องทุกขกับสมบัติเข้าของเงินทองต้องคอยดูแลรักษาต้องคอยห่วงคอยกังวลและต้องมาเสียใจเวลาที่สูญเสียไป ถ้าเราต่อสู้กับความอยากต่างๆได้เราก็จะอยู่ตามลำพังได้เราจะอยู่แบบเรียบง่ายได้อยู่แบบไม่มีสมบัติอะไรก็ได้เพียงแต่ขอให้มีปัจจัยสี่เพื่อดูแลรักษาร่างกายนี้ไว้เท่านั้นก็พอแล้วถ้าเราทำใจได้แล้วเราอยู่คนเดียวจะมีความสุขอย่างมากเพราะไม่มีปัญหาไม่มีเรื่องมีราวกับใครทั้งนั้น ใครจะเป็นอะไรก็จะไม่ส่งผลกระทบกับจิตใจของเราแต่ถ้าเรายังอยู่ไม่ได้คนเดียวยังต้องมีสิ่งต่างๆห้อมร้อมเราไว้อยู่เราก็จะต้องทุกข์กับสิ่งต่างๆอยู่ตลอดเวลาเพราะพระพุทธเจ้าส่งคนพบวิถีทางแห่งความสุขที่แท้จริงแล้วจึงได้นำเอามาสั่งสอนพวกเราสอนให้พวกเรา ให้กันปล่อยวางกันอย่าไปยึดอย่าไปติดกับสิ่งของต่างๆที่มันไม่จำเป็นต่อการดำลงชีพอย่าไปยึดกับคนนั้นกับคนนี้เพราะเราไม่มีเขาเราก็อยู่ได้และดีกว่าอยู่กับเขาเสียด้วยซ้ำไปถ้าเราทำใจได้ถ้าเราทำใจไม่ให้อยากอยู่กับคนนั้นอยู่กับคนนี้ได้อยู่คนเดียวนี้จะสบายใจกว่า อยู่กับคนนั้นอยู่กับคนนี้นี่คือวิธีที่จะสร้างความสุขให้กับชีวิตจิตใจของเราก็คือการทาบุญด้วยการให้ด้วยการปล่อยวางไม่ยึดไม่ติดด้วยการทำมาหากินด้วยวิธีที่สุดจริตไม่ผิดศีลผิดธรรมนี่คือต้นเรื่องต้นของการ สร้างความสุขให้กับชีวิตจิตใจของเราและเมื่อเราได้ครบกับความสุขในใจแล้วเราก็จะมีกำลังใจที่จะสร้างให้มีมากยิ่งขึ้นเราก็อยากต่อไปเราก็จะอยากปฏิบัติธรรมอยากจะนั่งสมาธิอยากจะไปอยู่วัดจำศีลอยากจะออกบวชเพราะเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกมา ตามมาที่หลังจึงขอฝากเรื่องของการทำบุญเพื่อให้มีความสุขใจนี้ให้กับท่านได้นำไปพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอบุญกุศลที่ท่านได้มาบําเพ็นกันในวันนี้ จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยและท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันนัสุขะพละโดยทั่วหน้ากันเทอ